สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยยี่สิบสองมืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่หกเรื่องน้องๆ้องของพระเยซูโปรดฟังโอชนะของพระเจ้าย้อนบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าย้อนบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เสด็จไปตาม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 ถ้าท่านอยากทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้อ ง, องของพระองค์ก็มิได้วางใจในรพระองค์เทียสุตรกับเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดพวกท่านเกลียดชังพวกท่านม่ได้แต่โลกเกลียดทังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพวกท่านจงขึ้นไปในเทศการเถิด เราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศการนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลากําหนดของเราเมื่อตัดเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไปพี่น้องครับความมืดมัวฝ่อยวิญญาณนะครับเรามาถึงตอนที่หกในวันนี้ความมืดมัวฝอยวิญญาณนั้นก็เกิดขึ้นกับน้องๆ้องของพระเยซูเช่นเดียวกันเราจะเห็นนะครับว่าน้องน้องของพระเยซูนั้นก็ อยู่ที่นาเซตในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ที่แคว้นกา ล, ลิลีและแคว้นกาลิลีนั้นก็มีนาเซตเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าน้องๆของพระเยซูก็ทราบข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์และในบทที่เจ็ดของพระธรรมยอหนี้เราเห็นนะครับว่าน้องๆของพระเยซูนั้นก็ติดตามพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน อยู่กับพระองค์ในเวลานั้นและสิ่งที่น้องๆนี่พูดกับพระเยซูก็คือว่าให้พระองค์ออกจากที่นี่ไปเถิดไปที่แคว้นยูเดียนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เหล่าสาวกได้เห็นกิจการที่พี่กำลังทำอยู่เพราะว่าไม่มีคนใครเลยที่แอบทำสิ่งใดเงีนเนยบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทาการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด คำถามก็คือว่าพระเยซูทําอะไรครับที่บอกว่าไม่มีใครแอบทําสิ่งใดเงียบๆพระเยซูต้องการให้คนอิสราเอลหรือประชาชนทั้งหลายตับใจใหม่ครับและพระองค์ได้บอกว่าพระองค์นั้นมีถ้อยคำซึ่งประกอบด้วยชีวิติรันและพระองค์ก็ได้รับการยืนยันจากซีโมนปเปโตรว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า เป็นครส์เดสันของกระเพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกน้องๆ้องของพระเยซูได้ยินได้ฟังจกากสาวกของพระองค์น้องๆ้องของพระเยซูก็เลยบอกกับพระเยซูว่าไปเลยไปเลยให้ไปที่แคว้นยูเดียเลยให้ไปเข้าไปในพระวิหารเลยให้ไปที่เยรูเซมเลยเพื่อที่จะประกาศว่าตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนี้่งี้ตัวเองเป็นดั่งที่ตัวเองพูดนี่คือสิ่งที่น้องๆของพระเยซูได้ แสดงความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าเขารู้จักพระเยซูในฐานะเป็นพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่พี่คนนี้คาดไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นพระเมสสิยาดังนั้นเองน้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์ในข้อที่ห้าครับพวกแม้น้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์ พี่น้องครับเราสังเกต น, นะครับว่าผู้เผยโพรโะจ้าก็ไม่ได้รับการนับถือในบ้านเมืองของตนในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ไม่ได้นับถือไม่ได้รับการนับถือไม่ได้รับความไว้วางใจในหมู่น้องๆของตัวเองถามว่าทําไมครับเพราะว่าเขามีความมืดมัวฝ่ยายวิญญาณครับการมืดมัวฝ่ยายวิญญาณนี้เองทําให้เขา ไม่สามารถเห็นพระเยซูได้อย่างชัดเจนเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นเขาไม่ได้วางใจในพระองค์เหมือนหนังที่เขาควรจะต้องไว้วางใจเี็นไหมครับเขาใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าทุกคนครับเพราะว่าเกิดตามหลังพระเยซูมาแล้วก็อยู่กับพระเยซูอย่างน้อยนะครับก็ยี่สิบห้าปีนะครับ หรือสามสิบปีหรือยี่สิบแปดปีนะครับระเยซูมีน้องหลายคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคาถามก็คือว่าเมื่อพวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูพระเยซูตอบเขาไว้่างไครับเยซูตอบเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านยังมีอยู่ยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูหมายความว่า ยังไม่ถึงเวลาที่พระเยซูจะไปที่เยรูซาเล็มไปที่ยูเดียเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่แสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นใครยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูที่ต้องทับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะเหตุว่าการที่บอกว่าไม่ใช่เป็นเวลาของเรา หรือเวลาของเรายังมาไม่ถึงแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงทราบถึงกาหนดเวลาครับกาหนดเวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้เรืยงครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้ากำหนดเราไว้เมื่อพระเจ้ากำหนดเราไว้แล้วถึงเวลาพระเจ้าก็เรียกเราในขณะเดียวกันครับเราไม่รู้เวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้และเราก็จะรู้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าได้เรียกเราแล้วนี่คือสิ่งสาคัญมากครับ ทำให้พระเยซูตัดต่อไปว่าเวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอเวลาของพวกท่านในที่นี้แปลว่าโอกาสกับโอกาสของน้องๆของพระเยซูที่จะกลับใจโอกาสที่จะไปที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปเทศกาลอยู่เพิงไปรักษาบทบัญญัติรักษาชีวิตยังมีอยู่เยอะเพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้ว เราจะเห็นได้ว่าน้องๆของพระเยซูก็กลับมาไว้วางใจพระเยซูหลังจากที่พระเยซูนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้อ ง, องๆของพระเยซูครับประเด็นต่อไปที่สำคัญก็คือว่าในข้อที่เจ็ดพระเยซูตรัสว่าโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลก เกลียดชังเราถามว่าทำไมโลกเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ในเวลานี้ก็คือว่าน้องๆของพระเยซูนั้นยังอยู่ฝ่ายโลกครับแต่โลกเกลียดชังพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนและเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่แยกเราทั้งหลายที้เป็นคริสเตียนกับโลกครับ หากว่าเรานั้นไม่ได้เป็นพยานว่าโลกหรือการงานของโลกนี้ชั่วร้ายเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายพระเยซูในขณะเดียวกันครับเมื่อเราไม่เป็นฝ่ายพระเยซูเราก็ผสมผสานประนีประนอมกับโลกโลกจะไปเกลียดชังเราทําไมครับโลกจะไม่เกลียด ช, งดชังพวกเราถ้าเราเป็นทิสเซียนแบบมืดมัว เป็นคริสเตียนที่ไม่เห็นมักหรือไม่เห็นมันคาไม่เห็นวิถีของชีวิตคริสเตียนชัดเจนไม่เห็นพระเจ้าชัดเจนไม่เห็นพระเยซูชัดเจนชีวิตการดําเนินของเราในแต่ละวันนั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีชีวิตไม่แตกต่างจากคนที่อยู่ในความมืดเรามีชีวิตที่ไม่ได้เป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้าย นี่คสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในชาววันนี้ซึ่งเป็นชาวา์วนทิตย์เมื่อเราไปที่ทึกจักนั้นเราควรจะต้องชำระจิตใจของเราให้สะอาดด้วยการสารภาพบาปด้วยการสำนึกแต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เข้าครอพระเจ้านั้นขอให้คําอธิษฐานของเราจะเป็นการคำอธิษฐานที่สำนึกและสารภาพเพื่อที่เราทั้งหลายจะไม่เป็นของโลกอีกต่อไปแต่เราจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เมื่อเราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนเราก็จะเห็นพระเยซูชัดเจนมากยิ่งขึ้นความมืดมัวฝ่ยายวิญญาณนั้นจะค่อยๆจางหายไปและเราจะเห็นวิถีชีวิตของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขาพระเจ้าอวยพรที่ย้อนโชคท่านที่จะไม่มีท่านเดียวที่จะมืดมัวฝ่ายวิญญาณเหมือนกับน้งนองของพระเยซูอยู่ใกล้เกลือกินดาอาเมน